พวกเราก็เดินทางมาจนเกือบจะสุดเขตของจังหวัดเพชรบุรีแล้วเนาะนะเป็นลอยต่อไปใกล้จังหวัดประจวบคีรีขันแล้ะเมืม่อวานเราก็เดินค่อนข้า ง, างกไกลหน่อยนะยี่สิบเจ็ดกิโลเส้นะ ท, าทางที่ออกค่อนข้างสายนะนะก็เดินกันมาจนเกือบถึงค่ำมนะันะ ก็เห็นนะหลายคนก็คือแม้ร่างกายนะแม้ร่างกายจะมีมีปัญหาบ้างนะหรือว่าสุขหรือว่าอายุก็เยอะพอสมควรแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่มันพาร่างกายเดินมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ด้วยใจเลยนะหลายๆท่านก็ ัไม่ใช่แต่เฉพาะเมื่อวานนะวันอื่นๆที่ผ่านมาก็เหมือนกันก็คือเราใช้ใจนะเป็นตัวนำในการเดินทางอนะ่าะผ่าร่างกายนะเดินทางมาถึงวันนี้ได้นะรวมทั้งที่จริงก็จิตใจนะตั้งแต่บางทีช่วงพักบางคนก็อาจจะมีความเหนื่อยนะหรือบางบางครั้งมันก็ ขี้เกียจนะออ ม, มันก็ล้านะมันเฉยนะแต่เราก็ใช้ใจในการปลุกตัวเองให้มันเดินทางขึ้นมาหรือตอนเช้าเนะบางทีนมันก็เดินทางมันเหนื่อยนะตอนเช้าจะตื่นก็มันก็มีความลา้ามีความไม่อยากตื่นแต่เราก็ใช้ใจเนาะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาได้เนยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ ทีนะ่เราทั้งหลายก็อาศัยใจนี่แหละนะเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้านะในการที่ทำให้ฝืนนะฝืนความขี้เกียจบ้างฝืนความเหนื่อยบ้างนะนะหรือว่าฝืนความเจ็บปวดของร่างกายบ้างเนะจนทั้งพาพาตัวเองนะมาถึงที่นี่ได้นะนะ เพราะหลายคนแม้ร่างกายแข็งแรงนะหรือแม้แต่อายุไม่มากนะแต่หลายคนก็ไม่กล้าที่จะพาพาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันลำบากหรือมันเหนื่อยนะเพราะบางทีใจอาจจะคิดว่าจะไหวหรือเปล่านะหรือว่ามาทำไมนะมาแล้วมันเป็นทุกขมาแล้วมันลำบากนะ แต่เราเองก็เป็นคนที่ยอมรับว่ายอมรับที่จะไปเชิญกับความทุกข์ยอมรับที่จะไปะเชิญ ก, ก, กับความยากลําบากนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเราเนาะก็สอนเน้นให้เราเรียนรู้จากความทุกขนะ์เนา ะ, นะมันมีความทุกข์นะขันทั้งห้านะเป็นตัวทุกข์นะ แม้เราไม่เดินทางแบบนี้นะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์นะแต่ก็อย่างว่านะมันจะเห็นทุกข์ได้ชัดก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ์ที่มันบีบคั้นเราก็จะเห็นทุกข์ชัดขึ้นอย่างเช่นร่างกายของเรานะถ้าถ้าเราอยู่วัดเราอยู่บ้านนะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีอาหารการกินพร้อมนะ สถานที่ต่างๆก็โอเคเนะี่ยมันก็เห็นทุกข์ของร่างกายไม่ค่อยชัดนะถ้าไม่ใช่เป็นวันที่ไม่สบายนะพราะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีเครื่องบําบัดให้ให้ร่างกายมันมันไม่เป็นทุกข์มากนะแต่พอเรามาเดินทางเราก็เห็นอร่างกายมันมีความปวดความเมื่อยนะมันมีความทุกข์บีบพันธ์นนะ ในแต่ลนะขณะแต่ลนะขณะแล้วการที่เราเดินทางไกลอีกบางทีก็มันก็บีบคั้นให้จิตใจมันเป็นทุกข์นะพอร่างกายมันไม่สบายนะบีบคั้นให้จิตใจมันเหนื่อยมันขี้เกียจหรือมันหงุดหงิดง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็อาจจะมีบ้างนะแต่ถ้าเราดู ด, ดีเราก็จะเห็นว่า มันก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะถ้าตอนไหนเรามีสติดีมีสมาธิดีเราก็จะแยกได้เลยว่าอ้ออาการของกายมันก็อันนึงเลยนะอาการของใจมันก็อันนึ่งนะร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันเหนื่อยนะมันก็อันนึงเลยนะแต่จิตใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนต่างหากนะไม่ได้เข้าเป็นเป็นทุกข์ด้วยกับ กับร่างกายหรือแม้แต่อาการของจิตใจเราก็จะเห็นว่าอาการที่มันปรุงแต่งหรือว่าอาการที่มันเกิดอารมณ์ต่างๆนี่มันก็ชั่วขนาดหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะเราก็จะเห็นว่าเออมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันถ้าพักมันก็หายได้นะมันขี้เกียจออ เราก็เห็นนะแต่พอตื่นขึ้นมาพอฝืนขึ้นสักหน่อยนะความขี้เกียจก็หายไปละอารมณ์ต่างๆนะหรือไม่แต่สังเกตก็ได้นะไม่แต่ด้านบวกก็ดีนะบางครั้งเราก็เดินแบบเหมือนติดจนะินตวดเนาะบางทีมันเรียกว่าเดินได้อารมณ์ก็ได้นะเดินได้จังหวะนะเดินได้อารมณ์นะแต่สักพักหนึ่งอารมณ์บางทีมันก็เสื่อมไปก็มี <c oughs> มันก็จะเห็น อารมณ์ในการเดินในแต่ละสภาวะมันก็มันต้อก็แตกต่างกันเนาะแต่สิ่งสาคัญเนี่ยหละเราใช้ใจเป็นตัวนำเนาะในการที่เราพาร่างกายมาถึงตรงนี้ได้เหมือนกับหลายๆท่านน่ะก็ใช้ใช้สถานการณ์แบบนี้นะมาทําให้เกิดสิ่งที่มันสําเร็จได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้เ ที่คนไทยอะไรคนก็ติดตามเนาะตูนบ o d y s แ a ลนะแล้วก็คณะอนะที่วิ่งตั้งแต่เปตรงนะจนจะให้ถึงแม่สายตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะถึงละคือถ้าคนทั่วไปคิดว่าวิ่งตั้งแต่ใต้สุดจนถึงเหนือสุดเนี่ยมันมันไกลมากนะ 2 0 0พันกิโลเมตรเนี้นะจะไวหรือเปล่านะมันก็ดูมันก็ดูเป็นระยะทางที่ที่ไกลนะแต่พออาศัยความตั้งใจเป็นที่ตั้งนะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะทำเพื่อเพื่ออย่างอื่นนะก็ทำเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะ เขาก็อาศัยความตั้งใจเพราะเป็นที่ตั้งแต่พอคนอื่นเห็นว่าเขาทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะทำเป็นทําในสิ่งที่ยากนะหลายคนก็ช่วยนะมันก็ทําให้เขามีกําลังใจทำให้มันก็มาได้เกือบถึงปลายทางแล้วนะไม่รู้เคยผมนะเคยรู้สึกนะบางทีกําลังใจนี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากนะ มันเคยแบบแข่งวิ่งแบบนี้เนาะแข่งวิ่ง400เมตรแบบเนี้มันก็ค่อนข้างไกลมันเป็นการวิ่งระยะกลางแบบนี้เนะจําได้เลยขนาดถ้าถ้าช่วงไหนที่ผ่านอัศจรรย์เชียร์ของของสีเราเนี่ยโอ้มันรู้สึกมือเขนะิลมัะได้กําลังใจแต่พอพ้นออัศจรรย์เชียร์ของสีเราขึ้นมาแล้วก็มันมันก็คล้ายๆ มันก็หมดตรงไปบ้างนะแต่ก็เห็นเลยว่าตอนที่ผ่านช่วงที่เหมือนมีเพื่อนมีหมู่นะให้กําลังใจเนี่ยมันก็พึกเขิมขึ้นเนี่ยการเดินทางไกลบางทีก็แบบนั้นเหมือนกันนะหมู่คณะเพื่อนมิตรเนี่ยก็ทําให้พึกเขิมขึ้นนะเอมันเราเดินกันหลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนช่วยกันนะ แต่ถ้าเดินคนเดียวเดี๋ยบางทีโอ้ตอนเหนื่อยตอนท้อนี่บางทีมันมันก็ไม่ค่อยอยากเดินเหมือนกันนะออแต่พอเรามีเพื่อนมีหมู่คณะนี่มันก็ทําให้แบบให้กําลังใจซึ่งกันและกันทําให้เกิดพลังขึ้นมานาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะนอกจากความตั้งใจของเราเองแล้วนะกําลังใจที่เราได้จากคนรอบๆข้างนะ มันก็ทำให้เรามีพลังในการเดินทางเหมือนกันแต่เราเองก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่เส้นทางเนาะนะหรือว่าจุดหมายว่าจะเดินให้จบถึงตรงไหนนะแต่จริงการเดินธุ ด, ดงค์จริงๆมันเป็นการเดินทางภายในนะรผมว่ามันเป็นการเดินทางภายในของเราเองนั่นแหละ ระยะทางเราอาจจะเดินไกลเนาะถ้าอย่างของเราเองเดินตั้งแต่เชียร์พูนะจนถึงจะสุดเพชรบุรีแล้วเนะี่ยเดินมาเจ็ดแปดปนะีแต่จริงก็ไม่ได้เดินเป็นปีนะก็เดินน่าจะเจ็ดหกเจ็ดเดือนมากกว่าเลยนะก็เดินได้ประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้ว่าจะ ต, ต้องเป้าหมาย ที่เส้นทางมันจะต้องได้ไกลเท่าไรแต่จริงเราเน้นการเดินทางภายในว่าจิตใจเนขณะที่เดินทางอยู่หรืในการใช้ชีวิตทั่วๆ่วไปเนาะเราสามารถรักกิเลสได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่เดินทางในขณะที่เราฝึกฝนตัวเองนะเราเห็นอารมณ์ของเราเองมากขนาดไหนนะ เมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันครอบงําใจหรือว่าเราสลัดกิเลสเออกไปจากจิตใจได้นะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันเป็นการเดินทางภายในนะซึ่งการที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆมันทาให้เราได้เห็นอย่างเช่นเห็นความอยากเลนะีนยมันจะเห็นชัดขึ้นความอยากกินนะความอยากสนุกสนาน ความอยากสะดวกสบายอะไรแนะบนี้บางทีเราก็จะเห็นชัดขึ้นความกลัวเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะมันทั้งอยู่ในที่ที่มันแปลกๆนะมืดๆนะแล้วก็เห็นความกลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวผีหรือเปล่ากลัวสัตว์ได้หรือเปล่านะหรืออย่างวันนีนะก็อาจจะต้องเตรียมใจตั้งสติดีๆเหมือนกันนะ บางช่วงเราอาจจะต้องผ่านเส้นทางที่ที่ช้างเขาก็ออกนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะออกตอนกลางคืนนะนแต่เราก็ระวังด้วยบางทีเขาอาจจะออกตอนกลางวันบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้น ะ, ะก็เตรียมเตรียมใจนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเนียเหมือนกันนะอืมือบางทีเราก็จะเห็นความความกลัวนะที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะ เวลามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันไม่ค่อยได้ไเผชิญกับเรื่องพานี้เนาะสัตว์ที่ที่ที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังในการจัดการได้นะเรายต้องเจอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนะี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเห็นใจของเราเองได้ชัดขึ้นนะความอยากความกลัว ความโลภเนี่ยวันนี้นะบางทีเราก็จะเห็ น, นได้ชัดขึ้นหลายๆอย่างนะผมว่าทุดงมันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติมันบางทีมันไม่ค่อยเกิดอารมณ์พวกนี้นยแต่พอเรามาอยู่ในสถานการณ์ที่มันแตกต่างจากชีวิตประจำวันจริงๆ มันทาให้คล้ายว่าตะกอนบางอย่างนะที่มันอยู่ในใจที่มันมันไม่ได้กระเพื่อมถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติมันกระเพื่อมขึ้นมาให้เราได้เห็ น, นถ้าเปลี่ยนเหมือนเราทาความสะอาดบ้านทาความสะอาดกุฏินะมันเหมือนของบางอย่างที่มันอยู่ในในซอกนยหรือว่าถูกอะไรทับไว้อยู่นะพอเรา มารื้อถอนคล้ายๆว่ามาทําความสะอาดค้ําใหญ่เนะี่ยเราต้องยกยกของขึ้นเราต้องเก็บกวาดให้มันทุกซอกทุกมุมเลยนะเราก็จะเห็นอ้อไอ้ขยะมันอยู่ในซอกตัวนี้เราไม่ได้กวาดมานานเนาะหรือว่านะี่ยสิ่งสกระโปรกที่มันซ่อนอยู่ใต้เสือตัวนี้นะเราไม่ได้ยกออกมานานละนะเราก็จะเห็นนะเห็นขยะเห็นตะกอนที่มัน นอนเนื่องนะในจิตใจของเราเนะี่ยชัดขึ้นนะเราก็จะเห็นอ้อที่จริงไม่แช่ว่ามไม่มีนะบางอย่างไม่แช่ว่ามไม่ไม่มีความกลัวแล้วไม่มีความอยากแล้วไม่มีความวิตกกังวลแล้วนะที่จริงมันมีนะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองมันก็จะทาให้เราไม่ประมาทนะไม่ประมาท ม, มันก็ยังมีอยู่ พอเห็นคนอื่นเขาเป็ น, น่ะเราเราเป็นหรือเปล่าเราก็ดูตัวเองเหมือนนี้นะอะไรมันเกิดขึ้นมานะถือว่าดีทั้งนั้นเลยนะมันดีทั้งนั้นทําให้เราได้เห็นกิเลสตัวเองชัดขึ้นเนะแต่เราก็อาศัยนี่แหละนะอาศัยอาศัยธรรมะอาศัยส่วนทั้งหลายมาเป็นตัวช่วยให้เราดูเท่าทันกิเลสแล้วก็ทํายังไงให้กิเลสมันครอบงําใจไม่ได้ สะัดกิเลสออกไปจากจิตใจให้ได้นะโดยการนี่แหละรู้เท่าทันมันมบ่อยๆนะแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงจิตใจเองนะถ้าจะว่าไปจริงๆมันก็มีแค่สองส่วนนะใจที่มีกิเลสเกิดขึ้นมากนะับใจที่รู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นตอนไหนที่ใจมันรู้เท่าทันกิเลสนะกิเลสมันก็หลุดออกไปจากใจนะแต่ตอนไหน ไม่รู้เท่าทันนะกีเดตมันก็ครอบงําใจนะมันก็เห็นนะโอ้ใจมันมีสองลักษณะนี่เองนะกิเดสครอบงําใจกับกิเลสครอบงาใจไม่ได้นะมันก็มีแค่สองลักษณะเนีนะ่แต่เพียงแต่ว่าวันหนึ่งนะอาการตัวไหนมันมันเกิดบ่อยกว่ากันหรือว่าเกิดนานกว่ากันนะ่ใจที่เป็นอิสระจากกิเลสหรือว่าใจที่มีกิเดตครอบงําอยู่เนะี่วันวันหนึ่ง จิตใจของเรามันเกิดลักษณะแบบไหนมากกว่ากันบ่อยกว่ากันนะเรารู้เท่าทันมันบ่อยหรือเปล่าเนะี่ยที่จริงก็ไม่มีอะไรเป็นมากกว่านี้เลยนะไม่ว่าเราจะเดินทวดดงก็ดีหรือเราไม่เดินทวดดงก็ดีนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะแต่ผมว่ามันก็เมื่อเรามาตั้งใจมาเดินแบบนี้แล้วนะมันก็จะทำให้เราได้เห็นนะได้เห็นกิเลส ชัดเจนขึ้นเนาะนะแล้วเราเองก็เมื่อมันเจอกับกิเลสเองหนักๆ ก, ก็ดีหรือเจอกับความทุกข์นะทางกายที่มากก็ดีนะหรือบางครั้งก็มีความทุกข์บางอย่างบีบคั้นใจมากก็ดีนะนะตัวทุกข์นั่นแหละดีนะอมันจะทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายมันมันชัดขึ้นนะคือ ถ, ถ้าเราไม่เห็นทุกข์อะ่ะมันก็ไม่ค่อยเบื่อหน่ายนะ เราก็จะไม่ค่อยเบื่อหน่ายในรูปนะเราก็จะหลงในรูปของเราเองหลงในรูปของผู้อื่นก็ดีหรือเราก็จะหลงในอารมณ์ในความคิดนะถ้าเราไม่เห็ น, นจริงๆว่าโอ้มันอยากแบบนี้มันเป็นทุกข์จริงๆนะอยากดีก็เป็นทุกข์นะอยากได้อะไรก็เป็นทุกข์นะหรือขณะที่กิเลสครอบงาใจนะมันก็เป็นทุกข์นะโกรธครอบงาใจก็เป็นทุกข์นะ โลภข้อมันใจก็เป็นทุกข์แต่หลงข้อมานใจนี่บางทีเราเห็นทุกข์ยากน่อยมันมันเนียนเนียนนะแต่จริงๆถ้าเราดูดีมันพอสภาวะต่างๆนะั้นมันมีแต่ทุกข์นะมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะทําอย่างไรเราถึงจะปล่อยวางความทุกข์ออกไปได้นะี่ยนะถ้าเราเห็นนะมันก็จะเกิดการเหมือนคล้ายๆการการเข็ด การหลาบนะมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายออกไปจากจิตใจค่อยๆ อ, ออกไปค่อยๆ อ, ออกไปทีละขณะทีละขณะเนี่ยการเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะทำให้เราสลัดทิ้งนะอุปท า, านการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เรากำลังเดินทางกันเนาะนะก็ให้เราได้ในตั้งใจดูสภาวะอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่นแหละ ถือว่าเป็นการเดินทางภายในเนาะอะเผืนะ่อการเดินทางข้างนอกก็ก็เป็นส่วนประกอบนะเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อในการเดินทางภายในใจของเราเนาะเพื่อให้เราเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานน่นเนาะนะนะด้วยกันทุกคนทุกท่านนะนะ